นหนังสือไปหน้าร8อยปดบสองบทยันทุนนิมิตตังยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณสะสะโทปาปะคะโหุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนต ลางชั่วร้ายอันใดและอาวามงคนอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปข้ออันใดสิวินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่สิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้า ยันทุนิมิตังอาวะมังคะรัญชายโยจามนาโปสกุณสสะโตปาปะกอทุสุพินังกันตังธรรมานุปาเวนาวินาสเมตโต ลางชั่วรายอันใดและอาวมุงคนอันใดเสียงโนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปข้ออันใดสุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่สิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระธรรม ยันทุนนิมิตังอาวะมังคะลานจะโยจามนาโปสกุณสสสันโทปาปะขาโธทุสุปิณังกันตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมตตุลางชัวร้ายอันใดและอาวะมงคลอันใดเสียงโนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใด และบาปข้ออันใดสุ บ, บินช่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่สิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพประสงค์เทวตาอุยโยชนคาถาห8 2แบวล่าง ทุคภัตตาจินิตทุาภยัปตาจินิตภยาสโขภัตตาจนิขตตจนญญโข ก, ตตโกหุนตุสภเพปิปานิโนขอสัพพสัตทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทวงจงเป็นผู้ไม่มีทวงและที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัย และที่ถึงแล้วสิ่งโสจงเป็นผู้ไม่มีโสเอตาวะตาจะอจเมหสิสัมปตังปุญญาสัมปาทาังสะเพเทวานุโมทันตูและขอเหล่าเทพเจ้าทั้งปวงจองอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติอันเราทั้งหลายก่อสร้างแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ สาภาสัมปติสิทธิยามเพื่ออันสำเร็จสมบัติทั้งปวงหานัง ท, ทัานตุสัทธายามมนุษย์ทั้งหลายจงให้ทานด้วยศรัทธาสีรางราขันตุสัพพทธาจงรักษาศีลในการทั้งปวง ภาวนาพิรุตตาอุนตูนจงเป็นผู้ยินดีแล้วในภาวนาขาดฉันถูกเทวตากธาเทพดาทั้งหลายที่มาแล้วเชิญกลับไปเถิดสัพเพพุทธาภรปัตตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพระกำลังทั้งหมด ป่าเจกาณจะยังพรังอรันตาณจะเทเทนราคังพันธามิสัพพโส กำลังใดแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและแห่งพระอระหันต์ทั้งหลายมีอยู่ข้าพเจ้าขอผูกความรักษาด้วยเดชแห่งกำลังนั้นโดยประการทั้งปวงพุทธชัยมงคลคถาพุทธวิธีชนามาน่รยสาม พุงสหาสมพินิมิตาสาวุธันตังปราจอมุนีไดชนะพยามานผู้นิรมิเแขนมงตั้งพันคริเมฆรังุติตะโกรัสเซนมารังถืออาวุธครบมือขี่โคตสานริเมฆลา พร้อมด้วยเสนามานทานาทิธรรมวิตินาจิตวามุนินโทรโหร้องคือกองด้วยธรรมวิธิทานบารมีเป็นตน สานเตจะสาภาวตุเตจะยมังคลานิมขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเรกามพิโยชิตสัพรารติงพระจอมมุนีไดชนะอาราวาคย่างผู้นีจิตกระดัง โครบปนาละวะกระมะคมะทีร์ทยาทังปราศจากความมดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามานเข้ามาต่อสู้ยิ่งนางขันติสุทันตวิธินาจิตตวามุนินทน์จนตะรอดดงด้วยวิธีทรมานเป็นอนดี คือพระขันติมตันเตจสะสภวทุเตชยมังขราณีขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นนาราคิริงขชวรังอธิมาตพูตางพระจอบมุนีไดชนาช้างทั่วเ่อนาราคิรี เป็นช่างเมายิ่งนักวทวาคขจักกรรมเสนีวสุธารุนันตังแสนที่จะทารุนประดุดไฟป่าและจะกราวุธและสายฟ้านเตามตํ์บุเสกวิทินาจิตวามุนินโทรด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตา ทันเตจสสภวตุเตชยมังครานีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่งทันด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นโอคิตะคาคามติห า, าสุธารุนันตามพระจอมมุนีมีพระหรุทัยไปในที่จกักระธรรมอิทธิปติหาร ขาวัติโยชนะปทังคุริมาระวันตังไดชนะโชนชื่อองคุริมาเสนรายกาติธิปิสังขตมนโนชิตวามุนินโทมีฝีมือถือดาวิงางา่งไรพระองค์ไปทิศสางสามยศตันเตจสาภาวตุเตชะยมังคราณี ขอชัยมงคลทั้งหลายจ ง, จงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกาตวานากาธมุทรงอิวะคบพินยามพระจอมมุนีได้ชนะความก่าวร้ายของนางจินจมานมิการ จินจายาทุตวจนังชนกกายามะเชมธรรมาการประหนึ่งว่ามีคันทำให้มีสัญญานันกลมให้เป็นประดุษมีทองสันเตนสมวิตินาจิตวามุนินโทด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความร่งงาพระหฤทัยในธรรมกลางหมูชน ท่านเตจสสัพวัตุเตจายมังคราณีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสาจจังวิหายามติศาสจ ก, กวาทเขตวงพระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปพือปัญญาได้ชนะศาจจานิคน ว่าทาภิโรพิตมะนังอติอันเภู้ตังผู้มีอัจฉริยในที่จะสละเสียสิ่งความสัตว์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงปัญญาปฏิปัจจริตติจิตตวามุนินโท เป็นผู้มืดมนยิ่งนางด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉริยแล้วตรัสเทศนามทันเทจะทราบพวตุเตชัยมังขราณีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น นันโทปนันดาปุจธคังวิพุทธังไม่เท่งราชมุนีโปรให้พระโมคคันลานเถระพุาจิโนรสนิมิตากปุตเตนเถระพุทเคเคนธมมาปยัโตมเป็นนากรารในทรมานพยานักรารชื่อนันโทปนันดา ผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากอิตุปะเทศสวิทินาชิตตวามุนินทรลโดวยวิธีอันให้อุปเทแห่งลินแก่พระเถระตันเตเจสาปวัตุเตเจยมังคาณีขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ทุคทิติพุชเกนะสุธาตหทธรรมพระเจมุนีไดชนะพรมผู้มีนามว่าเ้าปกาผู้มีเลนธมรมวิสุทธิชุติมิติปกกาพิธานามมีอานสำคัญตนว่าเป็นผู้ร่งเรื่องด้วยคุณอันบริสุทธ มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนถือผิดญาณกเทนวิธินาจิตตวามุนินโทรัดรึงไว้แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทสนายานอันเตจิสาภวตุเตชยมังคารณี ขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยยมังคะราจาคาทายยนอรชนใดมีปัญญาไม่เกียจขันสวดก็ดีละลึกก็ดีโยวาจนโนทินติเนสรรเตมตันเท เชื่อพระพุทธชัยมงคลแปดคาถาเหล่านี้ทุกๆวันหิตวาวนเนิคาวิวิธานิจุปัฏฐานินราชนนั้นจะพึงลาเสียไดย้ซึ่งอุปัวันตรายทั้งหลายมีระการต่างๆเป็นนเนมโมขังสุขังอาิกะเมยานโรสปัญญ ซึ่งรภูวิโมกสิม า, มารัยอันเป็นมรุมาตสุขแรดชยะปริตังหรือบทชยันโตหน้ารยหน้าร้อยแปดสิบหก มหากรุณิโกนาทโหหิตายสัพพานิรามระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของสันประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตัง อย่างบารมี ท, ทั้งหลายทั้งปวงใหเต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสาาัตว์ทั้งหลายถึงแล้วสิ่งความตรัสารุนอุดม เยเตนาสัจจวัฒเชนาโหตุเตชัยมังคะลังด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านชยันโตโพธิามุเลสกยานังนันดิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหี ขอดันจงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมานที่คนโพธิเพิกชัยสุชัยมังคะเรอัปปาราชิตตะปันลังเกสีเสปตาวิโปคะเร ถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพุทธาพิเสงทรงประโมทอยู่บนอภิราชิตาบันลังอันสูงเป็นเจ้ามหาปัตตภีอภิเศกสัพพุทธานังอภัพตโตปรโมทติทรงเพิ่มปูนความยินดีแกเราปยุรยสักยาวงชนนเถร สุนากตั้งสุมังตังเวลาที่สัตว์ปรากฏชอบชื่อว่าเลิกดีมงคลดีสุภาวาตั้งสุหุติตั้งสุขโนสุโมตโตจามสว่างดีรุ่งดีขนาดดียามดีสุยทั้งพรมจาริสูงบูชาดีแล้วในพระมัจาริบุคคลทั้งหลาย ปัจจกินังกายกรรมังกายกรรมมันเป็นกุศลวาจากรรมปัจจักินังวาจากรรมที่เป็นกุศลปัักินังมโนกรรมังมโนกรรมมันเป็นกุศลปานิธิเตปทักินางความปรารถนาของท่านันเป็นกุศล ปะาคินานิกัตวาสัตทั้งหลายทำกรรมันเป็นกุศลแล้วลาันตเทปทาคินิย่อมได้ประสบโชคดีแล้วสเพสัตวาสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตัว เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันแลกกันเลยอพยาปชาอุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย การีฆาอ้นตุวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด